พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการามยี่สิบกันยายน2503หสเรื่องศีลานุสติ เรื่องเศร้าหมองของจิตคณะปริโภด์วุ่นกับหมูวุ่นกับบุคคลวุ่นกับเรื่องราวนั่นเขาเรียกว่าคณะปริโภด์จิตไม่สงบถ้าจิตไม่สงบก็ไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความสะดวกในการนั่งสมาธิคือสิ่งขัดข้องในการนั่งสมาธิมีอยู่สองอย่างหนึ่งเรารู้อยู่ว่ามันเป็นค่าศึกแต่มันต้านทานไม่ไหว ด้วยกระแสกิเลสมันมากอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ 2. มันเกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้สึกตัวปฏิบัติไม่รอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่กั้นมร ก, กั้นผลเป็นสิ่งห้ามมรกผลเป็นมรคาวรคือเป็นเหตุห้ามไม่ให้บุคคลผู้นั้นเดินไปถูกตามแนวทางเรียกว่ามรคาวร สักคาวอนมักคาวอนอันนี้เกิดจากความไม่รู้สองอย่างนี้เป็นโทษจึงจำเป็นอยู่ที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติให้มันรอบคอบฉะนั้นจึงมีการแสดงธรรมสู่การฟังเสมอก็เพื่อจะแก้การไม่รู้นี้ให้เกิดความรู้ขึ้นแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความสงบ นี่มันมีอยู่สองแนวแนวที่หนึ่งก็อย่างที่แสดงเมื่อกี้เรารู้ว่ามันเป็นศัตรูแต่มันทนไม่ไหวรู้บ้างเผลอบ้างลืมบ้างด้วยอำนาจผลักดันของอิเลดนี่ก็เป็นเหตุกั้นมักกั้นผลแนวที่สองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่ามันเป็นผิดเมื่อการกระทำมันผิดไม่รู้ นี่เป็นเหตุให้เกิดการเศร้าหมองขึ้นทีนี้ส่วนเป็นไปด้วยความไม่รู้นั้นโดยมากมันเป็นเรื่องของศีลที่เรารู้อยู่ว่ามันเป็นความผิดหรือเป็นความฟุ้งซ่านในดวงจิตเราก็ไม่อยากเป็นรู้อยู่แต่มันก็ไม่ไหวอันนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิศีลก็เศร้าหมองสมาธิก็เศร้าหมอง ก็กลายเป็นสักขาวรห้ามผลมักคาวรห้ามผลทางเดินคนชนิดนั้นไม่มีทางไปเรียกว่าตนอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเดินไม่มีท่ามีแต่เขากับเท้าเท่านั้นมันก็เดินไปตามเรื่องของมันแต่ว่าบุกไปขึ้นสูงลงต่าเปลี่ยนบ้างรกบ้างบางครา่า ก็เหยียบน้ำเหยียบต่อบางคราวก็เหยียบเลนเหยียบตมมอมแมมไปตามเรื่องของผู้เดินไม่มีท่าทางแต่มันก็ไม่ตายมันก็ไปได้มันก็ไม่ตายแต่มันเป็นเรื่องรำคาญแต่ผู้รู้จักขนทางเดินทางกับผู้ไม่รู้ขนทางมันลำบากนักเดินทางกับคนตาบอดมันก็ลำบากนักคนตาบอด ให้มานี่มานี่มันก็ลําบากถึงเราจะใช้มัน ญ, ญาติชี้มือชี้ไม้ก็ตามเถอะมันก็ไม่รู้เรื่องคนตาบอดถ้าหูหนวกซ้ําไปอีกมันก็เสร็จลําบากนักเดินทางร่วมกับคนหูหนวกตาบอดมันยากฉะนั้นทํายังไงทีนี้ไม่ต้องเดินหรอกต้องหายาหยอดตาเสียก่อนให้มันพอลืมสักนิด มันก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็ต้องรักษาหูให้มันดีเสียก่อนเมื่อหูมันดีขึ้นตาก็ดีขึ้นจึงค่อยเดินไปมันก็มีวิธีการอย่างนี้ฉะนั้นการที่รักษาหูก็ได้แก่การที่สนใจการฟังคำตักเตือนว่ากล่าวแนะนำพร่ำสอนเพื่อชี้แนวทางของความเศร้าหมองว่าทางนั้นเป็นทางไม่ควรเดิน ถ้าเป็นผู้สนใจเช่นหูตึงก็จะค่อยหายไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่สนใจมันก็จะตึงเรื่อยไปตาก็เหมือนกันต้องหยอดการหยอดนะ่ะจะให้คนอื่นหยอดให้ก็ไม่ไหวเหมือนกันมันต้องมีวิธีการช่วยตัวเองช่วยตัวเองยังไงเราต้องตั้งข้อสังเกตเขาจะพูดให้ฟังก็ตาม ไม่พูดให้ฟังก็ตามแม้เราไปเห็นแต่นิดเดียวก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาทําอย่างนั้นนะ่ะเขามีความประสงค์อย่างไรเขาแสดงมารยาทอย่างนั้นเขาประสงค์อะไรเท่านี้เราก็รู้เรื่องถ้าเรารู้เรื่องอย่างนี้ก็เท่ากับหยอดตาตัวเองได้บางคนละ่ะก็เอาไม้แหย่ตายังไม่ค่อยจะลืม นั้นเรียกว่าเหลือวิสัยอยู่เหมือนกันถ้าเป็นคนที่ตาไม่มืดมากไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเห็นครั้งเดียวเท่านั้นละก็เป็นแบบปฏิบัติตนไปเรื่อยๆไม่ต้องให้มีหลายตัวอย่างถ้ามิฉะนั้นละก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มถ้าใครไม่ฉลาดก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มเหมือนกับพวกตัดรองเท้าก็ดีตัดเสื้อกางเกงก็ดี เขามีตัวอย่างตัวเดียวเท่านั้นเขาสามารถจะตัดได้ตั้งร้อยตั้งพันเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเขาได้ผู้มีปัญญาก็เหมือนกันแม้จะไปดูตัวอย่างเสมอคราวเดียวเท่านั้นก็สามารถจะนำไปตักเตือนว่า ก, กล่าวปฏิบัติตนได้เรื่อยไปอันนี้ค่อยเบาหน่อยเรื่องการที่พวกเราจะให้ตาดีขึ้นและให้หูดีขึ้น การชํำระหูก็เหมือนกันมัวแต่ให้คนอื่นหยอดมันก็ลาบากตัวของตัวเองก็จะต้องรักษาตัวเองเป็นแต่เขาให้ยาไปก็เอาไปหยอดคือหมายความว่าเมื่อได้รับคำตักเตือนว่ากล่าวแล้วก็อย่าไปทอดทิ้งนำไปพิจารณาเหตุผลเรื่องราวอย่าทอดทุระเราไปอยู่ที่ไหนก็ดีแม้ครูบาอาจารย์พูดเสมอคราวเดียว เราสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตนั่นนะ่ะคนหูดีคนตาดีก็เหมือนกันเห็นตัวอย่างครั้งเดียวก็สามารถนำตัวอย่างไปปฏิบัติตนได้เรื่อยไปลักษณะนี้ค่อยยังชั่วหน่อยบางคนละก็ทำแบบให้ร้อยแบบพันแบบมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างรักษาตัวเองก็ไม่เป็นพึ่งตนก็ไม่ได้ ความบริสุทธิ์มันก็เกิดยากสรุปเรื่องทั้งสองประการนี้เมื่อเราไม่รอบคอบในเรื่องทั้งสองประการนี้ศีลก็เศร้าหมองเรียกว่าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์ก็เรียกว่ามักคาวรผลที่จะเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์แห่งศีลไม่มีก็เรียกว่าสักคาวรคือจิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิ ที่ไม่เป็นไปนั้นก็คือศีลไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์บาเพ็ญสมาธิก็ยากฉะนั้นการต่อไปนี้จึงจะนำเรื่องศีลมากล่าวแสดงเพื่อเป็นการปรับปรุงให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์อย่างท่านแสดงในข้อกรรมฐานสี่สิบเรียกว่าข้อศีลารุสติ ศีลานุสตินี้แปลว่าให้ระลึกถึงศีลของตนการระลึกถึงศีลระลึกได้หลายทาง 1. นงระลึกถึงความบริสุทธิ์ 2. ตรวจความไม่บริสุทธิ์ของตนให้สำเหลียกดูทางฝ่ายชั่วเรียกว่าทุศีลให้ตรวจดูทางฝ่ายดีเรียกว่าบริสุทธิ์ที่ศีลให้ตรวจดูทั้งสองข้างนี้ถ้าเราตรวจดู เรายังมีความระแวงใจอยู่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์ก็จงพ่อพูนทําศีลไม่บริสุทธิ์นั้นให้ดีขึ้นอย่าให้มีความวิตกวิจารณ์ในเรื่องมรร ญ, ญาตหรือศีลศีลนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเพราะท่านจัดไว้เป็นแบบของสมถะกรรมฐานเมื่อระลึกถึงศีลจิตสงบจึงเรียกว่าศีลานุสตินับเนื่องใน ศีลอนุสติข้อหนึ่งในอนุสติสิบมันเป็นตัวสมาธิการตรวจศีลนั้นมันจะเป็นได้อย่างไรถ้าเราระลึกถึงความไม่บริสุทธิ์และระลึกถึงความบริสุทธิ์รู้เรื่องราวชัดเจนจิตก็ปล่อยคล้ายๆกับว่าเราตรวจดูข้าวของในบ้านเราอันนั้นก็ไม่หายอันนี้ก็ไม่หายมันก็นอนหลับ ถ้าเราตรวจดูของในบ้านเรามันหายไปนอนไม่หลับบุคคลผู้ตรวจดูศีลของตนว่าบริสุทธิ์หมดจดทุกอย่างจิตก็สงบได้ทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์มันเป็นไปเพื่อความสงบใจฉะนั้นอย่าได้พากันประมาทการทําจิตมันเนื่องด้วยมัน ญ, ญาติมันเนื่องด้วยศีลจึงไม่ควรประมาท อย่าไปเห็นว่าศีลนี้เป็นของเล็กน้อยของต่ำอันนี้ก็ไม่หายเป็นของธรรมดาสามัญเราต้องทำจิตให้เป็นธรรมเมื่อศีลไม่มีก็เป็นธรรมได้ยากจิตไม่เที่ยงตราบใดจิตไม่เป็นธรรมจิตไม่เป็นธรรมคือจิตเศร้าหมองคือศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นในที่นี้จะกล่าวเรื่องศีลให้ฟังศีล น, นี้แยกโดยสิกขาบท เขาเรียกว่ากันด้วยพยัญชนะว่าด้วยตัวหนังสือก็ศีลห้าศีลแปศิลสิบศีลสองยี่สิ 5, ส 8, ส 10, ส 7, เรียกว่านับกันด้วยตัวหนังสือนับกันด้วยพยัญชนะถ้าจะพูดกันโดยอัดอัดคือหมายความว่าไม่เพ่งถึงลักษณะของตัวหนังสือเป็นเกณฑ์เพ่งถึงคุณภาพเพ่งถึงคุณวุฒิเพ่งถึงชั้นภูมิ นั่นเรียกว่าอัดอย่างกล่าวว่าศาสทั่งสัพยัญชะนะงเกวะลาปริปุ น, นังศาสทั่งหมายถึงอัดพยัญชะนะงคือตัวหนังสือเกวะลาปริปุ น, นังให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์อันนี้คือหมายความว่าอย่าไปนึกว่าศีลมีแท้ๆเท่าศิกขาบทนอกจากนั้นยังมีอยู่อีกอัน เป็นของที่ยากเหตุนี้จึงแยกออกโดยคุณภาพมีวิธีต่างๆกันปกติศีลคือรักษากันโดยธรรมดาสามัญนี้อย่างหนึ่งอริยศีลรักษาประกรอบด้วยธรรมะนั่นอย่างหนึ่งนี่กล่าวถึงคุณภาพกล่าวถึงหน้าที่มีอยู่สองประเภทปหาณกิจสึ่งใดซึ่งเรื่องด้วยสิกขาบท พระองค์บัญญัติว่าไม่ควรอย่าหยุดสิ่งนั้นต้องตัดให้หมดไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวข้องภาวนากิจสิ่งใดซึ่งเป็นของที่ควรทำขึ้นเพราะเป็นคุณงามความดีสิ่งนั้นต้องสร้สร้างอย่าปล่อยอย่าทอดทุระพากันประพฤติป ฏ, ปฏิบัติบำเพ็ญให้รอบคอบนี่กล่าวถึงหน้าที่ใครจะถือศีลแบบไหนก็ตาม มีอยู่สองลักษณะเท่านี้ประหารนากิจกล่าวกันสั้นๆก็คือส่วนอกุศลหยาบๆที่เราจะต้องละต้องเลิกเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าล่วงการเมสุมิชฉาจาันอย่ากล่าวเท็จอย่าดื่มกินสุราเมรยัยสิ่งหยาบๆนี้เป็นประหารนกกิจต้องละทิ้งอย่างเด็ดขาดเรียกว่า อาธิพรหมจรรันยร์อาธิพรหมจันท ร, ร์นี้จะต้องละเป็นครั้งแรกทีนี้อภิสมาจาร์เป็นภาวนากิจเราต้องทำให้เกิดมีขึ้นอย่าทอดทุระแต่ละคนละคนมีสองหน้าที่เท่านั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องพรยันชนะท่านเรียกอาธิพรหมจรรันทร์ถ้าจะกล่าวถึงส่วนมัน ญ, ญาติเกี่ยวกับเรื่องของ บุคคลผู้ทรงศีลคือได้แก่เริยาวัดที่มีเครื่องหมายท่านเรียกอภิสมาจาร์เครื่องหมายดีของผู้มีศีลนั้นมีอะไรบ้างเครื่องหมายดีของผู้มีศีลที่เรียกอภิสมาจาร์นั้นมีอยู่สามลักษณะหนึ่งเป็นผู้สะอาดความสะอาดเป็นนิมิตของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์นี่ ให้จำไว้ให้ดีสความสวยงามความสวยงามนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบ ร, ริสุทธิ์สความหมดจดดวงจิตไม่คล่องอยู่ในมัญญาต์ของตนเรียกว่าศีลวิสุทธิ์สามชนิดนี้ท่านเรียกว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์นี่เป็นภาวนากิจ ในเรื่องนี้จะอธิบายเพิ่มเติมซ้ำไปอีกแต่พวกเราย่อมผ่านกันมาทุกคนเพราะไม่ใช่เด็กผ่านทุกคนปฏิบัติทุกคนแต่เราไม่รู้จักแบบบัญญัติก็ผิดบ้างถูกบ้างตั้งใจบ้างทอดทุระบ้างคือไม่นึกว่ามันจะเป็นความเสียหายฉะนั้นจึงย้ำไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้ พูดถึงความสะอาดความสะอาดอันนี้ความสะอาดในอภิสมาจารความสะอาดในอภิสมาจารนี้ไม่เหมือนความสะอาดในอาทิพรหมจันทร์อาทิพรหมจันทร์ไม่ฆ่าสัตว์กายสะอาดนั่นส่วนหนึ่งแต่อภิสมาจารนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เราเป็นผู้ไม่สะอาด เช่นนั่งที่ไหนก็ไม่รู้จักขวาดไม่รู้จักปัดนี่เขาเรียกว่าคนโสดกับกนี่มันเสียศีลแล้วอันนี้นอนที่ไหนก็กรกครุงรังไม่รู้จักเก็บอันใดควรเก็บอันใดควรมาใช้สอยทิ้งเกลื่อนกลนนี่เขาเรียกว่าไม่สะอาดอย่าไปนึกว่าศีนเราไม่เสียจะยืนก็ตาม อย่างพระสารีบุตรท่านจะออกไปเดินบินธบาตแต่ว่ามือมันไม่พอใช้มือหนึ่งจับจีวรมือหนึ่งนั้นม้วนจีวรท่านยังเอาเท้าข้างหนึ่งเก็บใบตองทางที่จะต้องเดินไปบินธบาติกวาดใบตองออกจากสถานที่ที่ท่านยืนเอาเท้ากวาดออกมือมันใช้ไม่พอท่านรักษาถึงอย่างนั้นสถานที่ยืนของท่าน นั่งก็เหมือนกันเมื่อจะไปนั่งที่ไหนท่านให้แหวกตาโตๆขึ้นเสียก่อนมันมีอะไรบ้างสถานที่นั่งของเราและสถานที่ควรนั่งหรือไม่ควรนั่งมันอยู่ในหัตถบาทของผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเปล่าพิจารณาดูเสียก่อนเราควรไปเหยียบหรือเปล่าเราควรไปนั่งหรือเปล่าสถานที่ ของบุคคลชนิดนั้นนอกนั้นอีกสถานที่จะนั่งของเราว่าเราจะนั่งตรงนั้นมันมีอะไรตั้งอยู่มันรกหรือไม่รกมันควรแก่ฐานะของเราหรือไม่เมื่อเวลาเรานั่งไปนั่งไปทีนี้เราก็จะไปทำความรกในสถานที่นั้นเมื่อเราทําความรกรุงรังในสถานที่นั้นเมื่อเราจะลุกไป เราต้องล้างตัวเราให้มันดีมิฉะนั้นคนอื่นเขาล้างเราก็จะเสียใจอย่างคนเก่าๆโบราณมาคนใดที่เขาเกลียดขึ้นไปนั่งบ้านของเขาเวลาลงจากบ้านได้สาดน้ำล้างที่นั่งทันทีคือเขาเห็นว่าสกประปกอย่างเราไม่ได้เอากันถึงขนาดนั้นเอาแค่เก็บขี้เท้าของตัวหนีให้พ้นก็แล้วกัน ที่มือขี่ผงขี่ภยัยติดผ้าติดผ่อนติดอะไรมาจากพื้นมานั่งแล้วก็เก็บไปด้วยอย่าให้คนอื่นไปเก็บมันบาปศีลจะไม่บริสุทธิ์ที่นั่งสะอาดเป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ที่ยืนสะอาดเป็นเครื่องหมายของผู้มีความบริสุทธิ์ที่เดินสะอาดถนนขนทางที่เราใช้สัญจรส่วนตัวก็ดี ส่วนรวมก็ดีเบิกหูเบิกตาให้มันลูกโตโตมันเป็นอย่างไรมันเหตุหรือวิสัยหรือเปล่าหรือพอจะช่วยเหลือกันได้มันจะเสียหรือจะทรงอยู่หรือมันจะดีขึ้นมันให้ประโยชน์แก่พวกเราหรือมันให้ประโยชน์แก่คนไหนไตรตรองพิจารณาแก้ไขทำความดีในสถานที่อันนั้นขึ้น เมื่อตนไม่ใช้คนอื่นเขาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ดีเช่นทางจงกลมอย่างนี้เป็นต้นเรื่องสาธารณะประโยชน์เช่นถนนเดินสัญจรไปมาของมนุษย์เห็นว่ามันไม่สะอาดตามันพอแก้ไขได้ก็ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญตามหน้าที่ถ้ามันเป็นเหตุเหลือวิสัยก็ตามเรื่องมันอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นอีก เครื่องสกรปรกโสมมเช่นบ้วนน้ำลายใส่ถนนอย่างนี้เป็นต้นถ้าทางพระท่านปรับอาบัตทุกกฏผิดอภิสมาจาร์เช่นทิ้งขี้มากขี่บุรี่เศษอาหารการกินไว้ตามหนทางสัญจรไปมาเป็นอาบัตทั้งนั้นพระเป็นอาบัตทุกกฏถ้าเป็นโยมก็เป็นอภิสมาจาร์เป็นเครื่องหมายของผู้ไม่มีศีลธรรม ในวินันท่านห้ามในพัตต ะ, ะวัดท่านแสดงไว้พูดเมื่อกี้ไม่ได้แสดงอย่างพิสดารท่านกล่าวว่าเมื่อภิกษุจะบริโภคปัจัยสีจีวรบินทบาตกิาณนะเพศเสนาสนะท่านบอกว่าอาหารที่ท่านได้มานะ่ะถ้าท่านมากินถ้าไม่หมดให้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดี อย่าไปทิ้งเกลือนกลาดให้ชาวบ้านเขาเห็นเขาจะเสียศรัทธาแสดงว่าเราทอดธุระถ้าเราจะกินวันพรุ่งนี้อย่างเกลือก็เอาไปใส่กระบอกให้ดีน้ำอ้อยน้ำตาลก็ใส่กลักให้ดีแล้วเก็บปิดให้มิดชิดมีโรงที่เก็บเขาเรียกว่ากัปปิยากูดีถ้ามันเหลือกินแล้วก็ท่านให้เก็บให้ดีนะ เอาออกจากบาดเสียถ้ามันเหลือกินถ้ามีกระโทนก็เทใส่กระโทนด้วยความครบแล้วเอาออกจากบาดให้หมดอย่าไปเทจุนจ้านนะถ้ามีอนุปสัสมบัญหรือเด็กก็ให้กดหลุมลึกๆลงไปเทลงไปในหลุมอย่าให้มันสกรปรกอย่าให้มีกลิ่นที่มันกินไม่ได้ก็ฝังเสียไม่ฝังก็กลบอันใดที่จะกินได้ ก็เก็บให้ดีนี่ในพัตตะวัดท่านก็แสดงไว้อย่างนี้ท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายประการให้ทําความสะอาดในสถานที่นี่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องสาธารณะทั่วไปกล่าวถึงเรื่องที่เดินก็เช่นเดียวกันที่ยืนที่นั่งที่เดิน ที่นอนก็เหมือนกันเรานอนที่ไหนเราอย่าไปทำให้สกรปรกในที่นั้นรักษาความสะอาดในที่นอนของตนคือเราเองจะไปนั่งไปนอนอยู่ตลอดคืนไม่ได้ต้องทำงานด้วยกายด้วยวาจาต้องเดินต้องเหินเปื่อนเปรอะทั้งเท้าทั้งมือทั้งเหงือทั้งใครมันก็จะไหล ย, ย้อยไปเปื่อนเปรอะ ในที่นอนของตัวให้รักษาความสะอาดอันใดจะเกิดโทษโดยประการต่างๆบางอย่างมันเกิดเชื้อโรคก็คือที่นอนของเราไม่รู้จักปัดกวาดบางอย่างมันก็เป็นตัวสัตว์เป็นตัวเลือดเป็นหมัดเป็นตัวอะไรต่างๆนำเชื้อโรคมาติดตัวฉะนั้นต้องทำความสะอาดทางโลกเขาเรียกอนาไม หรือสุขาพิบาล น, นี่ที่นั่งก็ดีที่นอนก็ดีที่ยืนก็ดีที่เดินก็ดีเมื่อเรามองไปเห็นถนนอย่างนี้ตามันก็วาวขึ้นใจมันสบายถ้าไปมองถนนเห็นขี้หมูขี้หมารกกรุงรังเหล่านี้แหละหัวใจมันก็หดลงไปแทบจะ ก, กระโดดนี้คือศีลมันไม่บริสุทธิ์มันยาก เหล่านี้อย่าไปเห็นเป็นของต่ํามันทําลายศีลของเราให้เสียหายไปได้นี่กล่าวถึงสถานที่กล่าวถึงเรื่องพัสดุเป็นชั้นที่สองพัสดุเป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลธรรมอีกพัสดุคืออะไรคือปัจจยธาตุทั้งสี่ปัจจัยทั้งสี่นี้ต้องเป็นของสะอาดปัจจัยสี่คืออะไรบ้างคือ อาหารการกินทุกชิ้นทุกอันที่เราจะกลืนเข้าไปในตัวทั้งหมดนี่ปัจจัยข้อหนึ่งจีวรปัจจัยข้อที่สองคือเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรียกว่าจีวรจีวรไม่ได้หมายเพียงผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าดำผ้าชิ้นหนึ่งจะเป็นสีสีไหนก็ตามเสื้อก็ตามผ้านุ่งผู้หญิงก็ตามกางเกงผู้ชายก็ตามท่านเรียกจีวรทั้งนั้น แต่ไม่นิยมกันเท่านั้นเองจีวรนก็แปลว่าผ้าเท่านั้นไม่ได้แปลว่าผ้าเหลืองผ้าดำผ้าแดงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ครอบไปถึงคารวาสญาตโยมด้วยเรียกว่าจีวระผ้าชิ้นหนึ่งที่ทอด้วยปอก็ดีไหมก็ดีฝ้ายก็ดีสำเร็จเป็นชิ้นขึ้นมาเรียกว่าจีวระนี่เป็นปัจจัยข้อที่สองปัจจัยข้อที่สาม เสนาสนะแปลว่าสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไม่ได้หมายแค่กุฏิวิหารเป็นบ้านกระตอบจากของญาติโยมก็เรียกว่าเสนาสนะแต่ไม่นิยมเรียกกันเท่านั้นเพราะได้โอนศัพท์นี้ไปใช้ทางศาสนาเป็นส่วนมากจึงไม่เกิดนิยมกันเรียกเท่านั้นเองแต่ความหมายอันเดียวกันอันนี้ ก็เป็นปัจจัยข้อที่สามปัจจัยข้อที่สี่คิานะเพสัตคือยาแก้โรคยาแก้โรคนั้นนะ่ะในวินยัยท่านจัดมีถึงหลายอย่างสี่ห้าอย่างแต่พูดแค่ยาแก้โรคนี้ก็ได้ความกันจะเป็นยาชนิดไหนก็ตามแต่ทางพระวินัยมีกฎเกณฑ์หน่อยไม่เหมือนคารวาดคารวัตก็มีแต่ว่าไม่สู้จะมาก ยาในทางพระวินัยนี้มันมีอยู่สี่ชนิดอันนี้เป็นส่วนสำคัญจึงจะขยายเสียหน่อยยาวกาลิกชนิดที่หนึ่งยามะกาลิกชนิดที่สองสัตตาหกาลิกชนิดที่สามยาวชีวิกชนิดที่สี่เครื่องที่เราจะต้องกลืนกินเข้าไปนั้นเรียกว่าของควรแก่การบริโภคมีถึงสี่ห้าอย่าง ยาวะกาลิกนับแต่ผู้ถือศินแปดมาจะกินอาหารเวลาตอนบ่ายนั้นไม่ได้เด็ดขาดคือกินได้แต่เวลาตอนเช้าไปถึงเที่ยงนี่เป็นอายุของอาหารจะต้องบริโภคของผู้มีศินท่านเรียกว่ายาวะกาลิกกล่าวกันง่ายๆคืออาหารที่จะต้องกินกันข้อที่สองเรียกว่ายามะกาลิกกินได้ ชั่วเวลาครู่ของวันได้แก่น้ำอัฐบาลเมื่อทำเวลาตอนเช้าถ้าแสงอรุณขึ้นวันใหม่กินไม่ได้กินได้ตั้งแต่ตอนเช้าไปถึงกลางคืนพอสว่างกลืนไม่ได้เลยจะเป็นโยมก็าตามจะเป็นพระก็าตามเมื่อรับประเคนไว้ฉันได้เสมอชั่วยามหนึ่งเท่านั้นกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมง เลยนั้นไปฉันไม่ได้เรียกว่าปานะคือน้ําดื่มนี่พูดถึงว่าเมื่อเราทําสําเร็จเสร็จแล้วก็รับประเค็นถ้าไม่ประเค็นก็กินไม่ได้เหมือนกันมันเสียมันบูดมันเสียมันก็จะทําให้เกิดโรคเกิดภัยกินไม่ได้เมื่อการเวลาที่ควรแก่วินยัยก็ฉันได้ท่านเรียกว่ายามะกาลิก คือน้ำอัฐบาลนี่ของที่ควรแก่การบริโภคของสั ม, มะะสัตตาหะกาลิกส ป, ปินวนิตังเตลังมัุผานิตังกล่าวกันง่ายๆคือน้ำอ้อยน้ำตาล น, น้ำผึ้งแต่ในบาลีท่านบอกส ป, ปิเนยนวนิตังเนยข้นเตลังน้ำมัน มะทุน้ำพึ่งผานิตังน้ำอ้อยทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่ายาคิลานะเพศัตถถ้าเป็นพระภิกษุรับประเคณแล้วก็เสมอได้เจ็ดวันเกินเจ็ดวันนั้นไปต้องทิ้งไม่ทิ้งก็ต้องเสียสละให้ญาติโยมแต่สมัยนี้พระเราเรียนบาลีแปลไม่ออก แปลคำว่าเนยกับนมไม่ออกเลยฉันเนยกับแป้งทีนี้ไม่รู้จักนมกระป๋องมันไม่ใช่เนยเห็นนมใสๆก็ไม่ใช่เนยเนยคือเอานมที่สดๆบริสุทธิ์มาเคี่ยวเมื่อเขามาเคี่ยวไม่ต้องเจือปนอะไรมีแต่เกลือหรืออะไรก็ตามส่วนที่ไม่มีโทษเคี่ยวนมลงจนกลายเป็นน้ำมันเป็นตัวน้ำมัน น้ำมันมีถึงสามชนิดน้ำมันอันหนึ่งนะ่ะมันก็ยังไม่สามารถเป็นเนยได้ท่านเรียกว่าเนยใสมันเป็นน้ำมันใสๆน้ำมันชั้นที่สองมันเลยใสเข้าไปมันเหลวๆแต่ไม่ได้เจืออะไรเลยเป็นนมล้วนๆเอาความเหลวไปเคี่ยวเข้าไปจนแข็งเป็นเนยก้อนโดยไม่ต้องไปเจืออะไรเลยเป็นเนยล้วนๆอันนี้ พระฉันได้เจ็ดวันไม่ให้เจืออะไรนอกจากเจือน้ําตาลได้เจือน้ํามันอย่างอื่นได้เช่นน้ํามันงาอย่างนั้นฉันได้จริงๆแต่เนยวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันเปลืองมากทําด้วยเนยจริงๆมันเปลืองมากขายราคาสูงไม่มีใครซื้อเขาจึงเอาแป้งไปปนเข้าเมื่อไปปนเข้าก็ทําเป็นกระป๋อง ที่เขาเรียกว่านมนมพระไม่รู้จักก็นึกว่ากินเนยละทีนี้ขนมเข้าเย็นเข้าไปยังไม่รู้ตัวนี่ผู้ถือเคร่งเขาจึงไม่กินส่วนเนยบริสุทธิ์จริงๆก็มีแต่มันไม่อร่อยก็กินเป็นยาจะอร่อยยังไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นยาแก้ไข้แล้วจะมาเอาความอร่อยถ้าจะเอาความอร่อย ก็กินข้าวเย็นกันเท่านั้นเองโอวันตินใส่เอาแป้งใส่กวนเข้าไปกับเนยกระป๋องก็อร่อยีิเพราะได้มีแป้งก็ข้าวเย็นกันเท่านั้นนี่เรื่องของสัตหากาลิศยาวะชีวิตคือเมื่อรับประเขนแล้วเก็บไว้ด้วยดีแล้วฉันจนหมดกี่วันกี่คืนก็ตามเถอะถ้าหมดก็หมดอายุถ้ายังไม่หมด ก็กินมันเรื่อยไปเช่นยาวินินแอสลปัยรินหรือยารากไม้ซึ่งไม่ได้เจือปนอะไรเลยเป็นของบริสุทธิ์อย่างนี้กินจนหมดเมื่อหมดเมื่อไรก็หมดอายุของยาอันนั้นเรียกยาวะชีวิกนี่ในเรื่องบินทบาทจำแนกออกเป็นสี่ห้ากระทงอย่างนี้ในเรื่องคีลานะเพศตัดไปรวมกับเรื่องบินทบาท เพราะมันเป็นเรื่องของบริโภคทีนี้เมื่อชีวิตของเราก็ดีซึ่งเป็นหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเองก็ตามหรือเป็นหน้าที่จะ ส, สร้างความดีเนื่องด้วยบุคคลผู้อื่นก็ดีเช่นทำถวายพระอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ต้องเป็นผู้สะอาดไม่สะอาดเป็นโทษคนทำเป็นโทษคนกินก็เป็นโทษ เป็นบาปเป็นอกุศลทั้งนั้นเหตุนี้แหละจึงเรียกอภิสมาจาร์สรุปย่อยๆก็คือหนึ่งให้หามาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาที่เป็นศีลและเป็นธรรมไม่ให้กระทบกระเทือนแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งวิธีการที่เราแสวงหาว่าเราควรแก่การหาโดยวิธีไหนซึ่งไม่ได้มี กระทบกระเทือนน้ำใจของท่านก็หาได้ตามฐานะส่วนพระก็หาอย่างหนึ่งส่วนคนอุปถากพระก็หาอย่างหนึ่งแต่รวมลงก็หาด้วยความบริสุทธิ์หาด้วยความบริสุทธิ์นั้นเรื่องของญาติโยมก็พนานาเรื่องบุญกุศลให้เขาฟังแต่เขาจะทําหรือไม่ทําเราไม่ต้องมีวิธีการโอบอ้ อ, อมอย่างพระ หาด้วยความบริสุทธิ์เติขึ้นแล้วก็ลงจากกุติอุ้มบาทอุ้มจีวรซ้อนสังคาสังวรในมัญญาติของตนไปอย่างเจ้าไปอย่างเจ้าอย่างไรเขาจะให้มากกูก็ดีใจเขาจะให้น้อยกูก็ดีใจเขาจะไม่ให้อะไรก็หัวเราะแก้มตุยกลับมาไม่ต้องแสดงความอยากไม่ต้องแสดงความโลก ไปตามหน้าที่ของตนเป็นบุญกุศลจริงๆมันจะได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะเอาได้หรือไม่ได้แต่หน้าที่สมมาากิจมีก็ไปตามหน้าที่นี่เรียกว่าหามาตามชอบไม่มีตัวโลภแอบอิงไปด้วยถ้ามีตัวโลภมันแอบไปด้วยแล้วก็บินทบาทขี้มักไม่มีคนใส่ ถ้ามีคนใส่เอามาฉันก็ไม่ค่อยอร่อยเหตุนั้นวิธีการสแสวงหาก็ต้องทำให้ดีทุกอย่างพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การนุ่งการหม่มการเดินสํารวมมัญยาดการไปการมาเมื่อมาถึงก็สํารวมไปจนเสร็จพัฒกิจให้บริสุทธิ์หมดจดสะอาดทุกสิ่งทุกประการนี่ วิธีการสแสวงหาเมื่อสแสวงหามาได้ทีนี้ให้รู้จักบริโภควิธีการบริโภคมันมีอยู่หลายชนิดตามอายุการของยาคีฬานะเพสัตการบริโภคบางอย่างเราบริโภคต้องนั่งก็มีบางอย่างบริโภคเราไม่ต้องนั่งก็มีบางอย่างนอนกินก็ได้บางอย่างนั่งกินก็ได้ แต่ยืนกินไม่ได้บางอย่างยืนกินได้นั่งกินก็ได้นอนกินก็ได้บางอย่างเปลือยกลายกินก็ได้บางอย่างอยู่ที่เปิดเผยกินได้บางอย่างอยู่ในที่กำบังกินไม่ได้ตัวอย่างเช่นเราจะฉันข้าวในห้องของเราเองไม่ห่มจีวรก็ได้ถ้าไม่หมจีวรมาฉันกลางแจ้งเป็นทุกกฎ อย่างนี้เป็นต้นบางอย่างเดินกินก็ได้เช่นกินหมากนี่เดินกินได้แต่จะไปเดินกินข้าวไม่ได้นะอันใดควรเดินกินอันใดควรนั่งกินอันใดควรที่จะนอนกินเดินกินยืนกินนั่งกินนอนกินมันมากเสียด้วยเรื่องเหล่านี้แต่สรุปแล้วธรรมดามนุษย์ที่มีมรรยาทดี ก็ย่อมต้องรู้อยู่เองเหตุนั้นท่านจึงให้สังวรระมัดระวังรักษาเมื่อเรามาถึงสถานที่กินที่นี้บางคนรู้จักแต่กินแต่ไม่รู้จักเก็บเมื่อเรามาถึงสถานที่กินที่นี้บางคนรู้จักแต่กินแต่ไม่รู้จักเก็บบางคนรู้จักกินแต่ไม่รู้จักกั น, ไ ม, กกนไม่รู้จักกันยังไงได้มา ก็กินวบๆเข้าไปเพื่อนนั่งเต็มหมดไม่ได้กินสักนิดไม่รู้จักนี่ก็ผิดอีกนี่ต้องเป็นผู้รอบคอบระมัดระวังรักษารู้จักที่นั่งกินควรนั่งตามฐานะของเราบางคนไม่รู้จักกินทีนี้พอจะกินก็กินวบวบบางทีน้ําไม่ตักมาสักถ้วยเดียวกินอิ่มมาทาปากแหนแก อย่างนี้เคยมีพระก็ยังเป็นนี่เขาเรียกไม่รู้จักกินไม่รู้จักกินก็ไม่น่าจะกินต้องรู้จักกินหนึ่งที่นั่งเราอยู่ที่ไหนสองกาน้ําเรามีหรือเปล่าแก้ว้ําเรามีหรือเปล่ากระโถนมีหรือเปล่าเขากินกันแบบไหนนี่นี่ต้องอ่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่านแต่ที่นั่ง อ่านบาดอ่านจีวร อ, อ่านกระโถนอ่านแก้วน้ําอ่านกาน้ําอ่านน้ําที่จะกินเข้าไปในตัวอ่านให้มันออกให้หมดที่นั่งเราก็ได้แล้วสมควรแก่ภาวะผ้าเราก็ห่มให้เป็นปริมนณฑลแล้วนั่งให้สวยที่นี้อย่างเงยกินมากมันจะกลายเป็นเดรรฉานบริโภคอย่า ก, ก้มกินมากมันจะกลายเป็นกาจิตศพ ให้ตั้งพอดีพอดีอย่าเงยมากอย่าก้มมากให้พอดีพอเหมาะให้รู้จักแต่งตัวกินบางคนหรือบางท่านบางวัดกินข้าวอิจวยอีแฉกบางทียีวอนหลุดไปจากตัวนั่งจ้ำสีืออย่างนี้ก็มีบางทีไม่หม่มทลกบาดก็ไม่แก้จ้ำเข้าไปบางทีกินอิ่ม น้ำจะดื่มก็ไม่มีนี่เรียกว่าไม่รู้จักกินที่เรียกว่าพัตตะวัดบางสังคมตีพินพาดทำเพลงกินก็มีเช่นเอาช้อนเคาะจานหรือถ้วยเสียงดังลั่นคุยกันอื้อเฉาซึ่งไม่ควรแก่ส ม, มณะเพศผู้มีศีลทีนี้เมื่อจัดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้รู้จักเก็บทีนี้อันใด จะควรกินได้ในเวลาบ่ายซึ่งมีในอาสนะนี้เราก็เก็บให้ดีเช่นบินทบาทเขาถวายยามาด้วยอย่างน้ำอ้อยน้ำตาลเขาถวายมาเพื่อฉันเวลาบ่ายเราก็เก็บไว้ถ้ามากินกับอาหารก็เก็บไม่ได้ยาอย่างอื่นก็เหมือนกันส่วนใดควรเก็บกินอีกส่วนใดควรให้ทานส่วนใด ควรทิ้งมันมีอยู่สามลักษณะส่วนใดควรเก็บไม่เก็บเป็นอาบัตถ้าเป็นญาติโยมก็เศร้าหมองส่วนใดควรทิ้งไม่ทิ้งเป็นโทษส่วนใดควรเก็บต้องเก็บส่วนใดควรทิ้งต้องทิ้งทีนี้ส่วนใดควรเก็บของที่เก็บกินได้อย่างหนึ่งของใดกินไม่ได้เก็บให้ดี มันกินไม่ได้ต้องเก็บให้ดีส่วนใดกินได้ไม่ต้องเก็บดีคนเราโดยมากสิ่งใดกินได้เก็บดีๆกลัวเพื่อนจะเห็นกลัวเขาจะแย่งกินอย่างนี้ก็ทำบางท่านส่วนควรเก็บดีๆกลับเปิดเผยอาหารที่เศษติดไม่มีใครกินได้อย่างเศษกระโถนอย่างนี้เป็นต้นทิ้งเกลื่อนกลาดอาหารดีๆ ควรจะให้คนอื่นเขากินบ้างเก็บดีลักษณะเช่นนี้เสียศีลเสียธรรมอย่างนี้ไม่รู้จักมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของศีลการเก็บอย่างไรเรื่องของเราต้องอ่านให้หมดอย่าให้เดือดร้อนแก่คนอื่นเราต้องปฏิบัติตัวเราให้ดีให้รอบคอบมือว่างก็ช่วยเพื่อนช่วยคนอื่นช่วยเก็บช่วยขวาด ช่วยเช็ดช่วยถูส่วนอันใดที่เราเก็บเรียบร้อยดีก็ชำระทีนี้ชำระอย่างไรรู้จักล้างบาดก็ล้างให้มันสะอาดหมดจดภาชนะทุกชิ้นต้องล้างให้ดีน้ำของเราที่เอามาใช้สอยน้ำที่เอามากินกับอาหารเมื่อฉันเสร็จเททิ้งให้หมดเหลือหยดเดียวก็ไม่ได้ค้างในกาหยดเดียวก็ไม่เอา เทแล้วต้องเช็ดให้บริสุทธิ์ถ้าไม่เทไปดื่มตอนบ่ายเป็นวิกาลาโษธถ้าเป็นญาติโยมก็ศีลเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์เช่นขันน้ำไปจ้วงในตุม่มกินข้าวอิ่มก็ดื่มไปจ้วงอีกอาหารมันอยู่กับปากมันติดขันไปตุ่มน้ำก็เป็นวิกาลาโภษกันเรื่อยไปนี่ถ้าจะกล่าวถึงญาติโยม ก็เป็นอย่างนี้ศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นท่านจึงไม่ให้จ้วงน้ําให้ใช้กระบอกกรองเพื่อการสัตว์และขี้ผงลงอันนี้พูดถึงเรื่องเก็บของกินได้อีกเก็บให้มันดีของเศษกินไม่ได้ควรเก็บให้ดีควรทิ้งให้มันไกลจากที่สัญจรไปมาของมนุษย์ควรฝังดินก็ต้องฝังไม่มีที่ฝังก็ทิ้งให้ห่างไกล เป็นที่เป็นทางให้มันมีระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในมัน ญ, ญาติอันดีอภิสมาจาร์นี่ในเรื่องอาหารการบริโภคถ้าจะนำมากล่าวกันสามวันก็ไม่จบฉะนั้นกล่าวกันเสมอเพียงห ย, ยาบยาบแล้วให้เทียบเอาในเสนาสนะก็เหมือนกันในกีฬานะจีวระก็เหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันคือ 1. รู้จักหา 2. รู้จักรักษา 3. รู้จักเก็บชาระ 4. รู้จักสิ่งมันจะเสื่อมเสียหายไป 5. รู้จักสิ่งที่จะให้ความสุขแก่หมู่แก่คณะและปฏิบัติตัวให้สมควรแก่เรื่องราวในเสนาสนะก็เหมือนกันในจีวรก็เช่นเดียวกันจีวรก็สำคัญเหมือนกันบิณทบาทก็สำคัญ กีวอนก็สำคัญข้อหนึ่งให้รู้จักหาข้อสองให้ร <over> ู้จักเจ็บให้รู้จักย้อมให้รู้จักซักให้รู้จักสุกให้รู้จักฟอกให้รู้จักย้อมสีบางคนผ้าควรซักไปฟอกมันผิดผ้าควรฟอกไปซักมันก็ผิดผ้าควรสุกไปย้อมมันก็ผิดผ้าควรย้อมไปสุก มันก็ผิดมันมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาบางทีไปบินทบาทในบ้านบางทีก็ถูกเม็ดฝนถูกเหงือบ้างนิตริดหน่อยๆไม่จําเป็นต้องซักพึ่งแดดให้มันแห้งเสียบางทีไปตากเสียมันก็ผิดพึ่งนั้นคือชั่วคราวเท่านั้นบางคนพึ่งแต่เช้าจนค่ําเขาเรียกว่าอย่าง โยมก็เหมือนกันผ้าควรผึ่งไปตากก็ผิดตากคือหมายความว่ามันนานพึ่งคือเดี๋ยวเดียวครู่เดียวเท่านั้นผ้าที่ควรตากไปพึงมันก็ผิดมันเปียกต้องตากให้มันแห้งไปผึงนิดเจ็บเสียตื่นเช้าเหม็นบูดมันผิดทั้งนั้นผ้าควรซักก็เราจะไปแค่ตากไม่ได้มันสาบมันเหม็นมันส ก, กปรก มันเปื้อนนี่ควรซักไปตากมันใช้ไม่ได้นี่เรื่องจีวรในเรื่องพระเราก็ยิ่งมากพึ่งผ้าตากผ้าย่างผ้ามีถึงสามลักษณะพึงคือมันติดเหงือ่อมันไม่ถึงฝกปรกปบพึงลมพึงแดดนิดหน่อยเก็บอย่าไปตากมันผิดผ้าควรตากอย่าพึ่งผ้าควรย่างอย่าตากผ้าควรย่างคือ ผ้ายังไงผ้ากรถินต้องย่างไม่ย่างไม่ทันเวลาผืนตากมันก็เสร็จกระถินขาดนี่เรียกว่าผ้ารีบด่วนนอกจากนี้ยังมีสุผ้าซักผ้าย้อมผ้าฟอกผ้าสุผ้าโดยมากเขาไม่ใช้น้ําเย็นคือผ้ามันสาบหรือเปื้อนโดยมากเขาใช้น้ํำเดือดเดือดเมื่อต้มให้เดือดแล้ว ก็เทราดลงไปก็ขยำขยำพอสมควรจนสิ่งนั้นออกไปแล้วก็บิดตาเรียกว่าสุผ้าบางคนผ้าควรสุเอาไปฟอกสบู่ขนาบลงไปเกือบขาดขาวแล่นแจ่นไปเลยมันผิดผ้าสุไปซักก็ผิดผ้าสุต้องใช้น้ำร้อนผ้าซักใช้น้ำเย่นผ้าฟอกต้องใช้สบู่ผ้าย้อม ต้องใช้สีมันมีอยู่หลายลักษณะถ้าผ้าเราควรฟอกเอาไปซักก็ไม่สะอาดผ้าเราควรซักเอาไปฟอกมันขาวเกินไปอีกเมื่อเรามาเรียนวิชาอย่างนี้รู้จักเหตุการณ์รู้จักสุรู้จักซักรู้จักฟอกรู้จักย้อมสำเร็จลงไปก็รู้จักเย็บรู้จักตัดให้มันเรียบร้อยในมันญาตเหล่านี้เมื่อมันเรียบร้อย Hmm. ทีนี้รู้จักบริโภคเราจะนุ่งยังไงอยู่ในบ้านจะนุ่งยังไงอยู่ในวัดจะนุ่งห่มอย่างไรทํางานจะนุ่งยังไงอยู่คนเดียวจะนุ่งยังไงนั่งกับแขกจะนุ่งอย่างไรเมื่อรู้จักลักษณะเหล่านี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามก็เรียกว่ารู้จักบริโภคบางคนรู้จักแต่จะนุ่งจะห่มแต่เก็บไม่เป็น จีวรสองผืนก็หวานเสียยังกับหวานแหผ้าสองสามผืนตากเสียทั่วบ้านทั่วเมืองเอาไปเก็บมันไม่มากมายอะไรนักหนาบางทีกุฏิหลังเดียวคับหมดผ้าไม่ถึงร้อยผืนบางทีบ้านหลังเดียวเล็กๆผ้าเต็มหมดถ้าเก็บจริงๆมันไม่เท่าไรมันจุนจ้านมันาติไม่ดีอันนี้ก็สาคัญรู้จักเก็บ ผ้าเรามีกี่ชนิดผ้าเช็ดเท้าจนตลอดผ้าโพกหัวรู้จักซักรู้จักเก็บรู้จักใช้สอยบริโภคให้มันเรียบร้อยดีงามทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในเรื่องจีวรคล้ายอาหารแหละผ้าขี้ริ้วขาดเก็บให้มันดีๆคนจะมาเห็นมันโศกรปรกเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางควรซักควรตากก็ตากต้องการใช้หยิบได้ทันที ผ้าผืนดีๆนะ่ะอย่าไปเก็บดีมากนะักวินัยท่านห้ามได้มาต้องบอกหมู่นะไม่บอกเป็นอาบัตในบาลีเรียกว่าวิกับเรียกว่าทําผ้าของตนให้เป็นสองเจ้าของขึ้นคือไม่ให้ตรณีวินัยท่านบัญญัติไว้อย่างนี้ถ้าจะบรรยายสามวันก็ไม่จบเหมือนกันกล่าสั้นๆเพียงเท่านี้ในเรื่องจีวรในเรื่องเสนาสนะ ก็เหมือนกันบ้านช่องกุติวิหารที่พักอาศัยสาธารณประโยชน์เช่นส่วมหรือฐานสาลาหรือวิหารให้รู้จักรักษาความสะอาดอันใดมันจะเสียอันใดมันจะคงที่อันใดมันจะงอกงามขึ้นเปิดหูเปิดตาให้มันกว้างขวางดูแลทั่วถึงต่างคนต่างก็มีต่างคนต่างก็มีตาลูกโตโต อยู่วัดตาต้องเท่าวัดหูก็ต้องโตเท่าวัดอันใดไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นต้องสนใจอันใดมันจะดีขึ้นอันใดจะเสียหายอันใดจะคงที่ให้ความสะดวกแก่ตนและคนอื่นต้องดูแลรักษาอันนี้ในเรื่องเสนาสะนะมีลักษณะหนึ่งให้สแสวงหาโดยความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเที่ยวบังคับ ผมเหง น, น้ำใจบุคคลผู้ใดทั้งหมดมีอยู่ก็อยู่ไม่มีอยู่ก็นอนดินไม่ต้องอัศาจรรย์ไม่ต้องยอมเป็นทาสใครทั้งหมดต้องเป็นนายคนเรียกว่าพระนายคือหมายความว่านั่งเฉยๆให้กูก็อยู่ไม่ให้กูก็ไม่อยู่เอาฟ้าเป็นหลังคาเอาดาวเป็นแสงตะเกียงใต้เอาต้นไม้เป็นฝากระดานพื้นปฐพีเป็นแผ่นศีลาอาจ เมื่อทำใจกว้างใหญ่เท่าโลกอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องแสวงหาด้วยความทุจริตหามาได้ด้วยความดีความชอบแล้วก็รู้จักรักษารู้จักบริหารอันใดจะเสียอันใดจะดีคงที่เป็นผู้รักษาดูแลช่วยเหลือให้มันทั่วถึงกันในเรื่องเสนาสนะก็เหมือนกันเมื่อต่างผู้ต่างคน พากันประพฤติปฏิบัติรักษาความดีความชอบตามหน้าที่ของตัวได้อย่างนี้ก็งามอันนี้เขาเรียกว่ารวมลงก็สะอาดที่นี้ที่นั่งก็สะอาดที่นอนก็สะอาดที่ยืนก็สะอาดที่เดินก็สะอาดก้อนข้าวก็สะอาดผ้านุ่งก็สะอาดที่อยู่อาศัยก็สะอาดกีฬาณเพศสะอาดหมด นี่เป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลธรรมแต่มันยังไม่งามนี่อธิบายข้อแรกข้อที่สองสะอาดสวยงามสวยงามกับสะอาดมันคนละอย่างเก็บให้มันเป็นระเบียบถ้วยแก้วถ้วยชามทุกสิ่งทุกอย่างเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางถ้วยชามหม้อแกงก็จะต้องอยู่ในโรงครัวของมันอย่างนี้เป็นต้นถ้วยชาม เครื่องใช้ของสอยให้ไว้เป็นที่เป็นทางให้มันงามตาอันใดควรอยู่ที่ไหนจัดให้มันอยู่อย่าให้มันเปื้อนเปรอะสมมุติคนกับสุนัขไปนอนด้วยกันมันจะสวยที่ไหนสุนัข ก, ก็ต้องจัดให้มันนอนในใต้ถุนแมวก็ต้องให้นอนอยู่บนบ้านคนก็จะต้องไปนอนอยู่บนเสือบนหมอนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ มันสวยงามเครื่องใช้ชนิดไหนมันควรอยู่ที่ไหนต้องให้มันอยู่ในที่นั้นและมันเคยอยู่ตรงไหนอย่าให้มันย้ายที่บ่อยๆมันไม่มีหลักฐานเดี๋ยวไปอยู่บ้านโน้นเดี๋ยวไปอยู่บ้านนี้อีกหน่อยไม่มีหลักแหล่งทำกินเครื่องใช้ของสอยก็เหมือนกันมันเคยอยู่ตรงนี้แหละก็ให้มันอยู่เรื่อยไปไม่จำเป็นอย่าให้มันหนีโดยมาก คนเราไม่มีมัน ญ, ญาติไม่มีความสวยงามวันนี้ไปตั้งไว้ห้องหนึ่งพรุ่งนี้ผ่าไปไว้อีกแห่งหนึ่งวันนี้ไว้บนบ้านพรุ่งนี้ไปไว้ใต้ถุนหากันไปเถิดแทบตาแตกมันก็ไม่เห็นนี่เขาเรียกว่ามันเสียมัน ญ, ญาติคือไม่สวยงามมีตัวอย่างเขาเล่ามามีสองผัวเมียสมัยหลวงพี่บูนนี่แหละ เขาให้ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงแต่ก่อนนุ่งผ้าโจงกระเบนก็พอสังเกตกันได้ง่ายสมัยนี้เขาให้นุ่งผ้าถุงทีนี้ไอ้ผ้าโสร่งผัวกับผ้านุ่งเมียเอาไปไว้แห่งเดียวกันมันลืมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกผ้าเมียเขาไว้ใต้ที่นอนข้างใต้เตียงคือใต้เท้าผ้าผัวเอาไว้ข้างทีนี้มันจะด่วนหรือไม่ด่วนก็ไม่ทราบ มันมืดหน่อยแกก็มาถึงบ้านก็ถ่ายผ้าเอาผ้าสโรงไปพาดไว้กับผ้าถุงของเมียทีนี้พอสว่างเขาก็รีบไปกินกาแฟที่ตลาดลุกขึ้นมาก็พอแหกกี้ตาก็รีบนุ่งผ้าสโรงจะไปกินกาแฟมันก็เสื้อจริงๆนะมันน่าจะดูออกไม่ดูเวลานุ่งก็ควรจะดูเวลาเดินออกไปไม่ยักดูไปนุ่งผ้าสิ้นมีของเมีย วงเล็บเปิดผ้าภาคอีสานลายๆเขาเรียกผ้าสิ้นมีวงเล็บปิดนั่งกินกาแฟเฉยโน่นอยู่ร้านแจ็คแน่ไม่อายเขาเสียบ้างไอ้เจ้าเมียก็มาหาผ้านุ่งทีนี้เอ๊ะผ้ากูมันหายไปไหนหากันให้ยุ่งกันไปหมดบอกลูกไปตามสิพ่อมึงไปไหนวะพ่อมึงเอาผ้ากูนุ่งไปเสียแล้วเห็นอยู่แต่ผ้าสโรงลูกสาวก็วิ่งไปตลาด ไปตามพ่อพ่อนั่งเฉยกินกาแฟสบายหันไปหันมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงพ่อพ่อเอาผ้าแม่มานุ่งเอ๊ะกูก็ไม่รู้นะกูก็สงสัยเหมือนกันว่ามันแข็งแข็งสากๆมันเป็นไหมวะต้องรีบกลับหอบผ้าขึ้นกลัวเพื่อนเห็นทีนี้หอบขึ้นมาบนเอวเดินมากลัวเขาจะเห็นว่านุ่งผ้าเมีย หอบไม่ให้เขาเห็นลายผ้าหอบผ้าล่อนจ้อนเดินเข้ามาในบ้านแบบนี้มันเสียมัน ญ, ญาติเท่าไหร่เลยหมดอายมันอายนุ่งผ้าเมียมันไม่อายหนังตัวเองเลิกผ้าขึ้นมาบนเอวหนังเคยอายไม่ยักอาอไปอายผ้ากลัวเขาเย้ยว่าอีตาคนนี้นุ่งผ้าเมียกลัวเขาว่าเลิกผ้ามาม้วนอยู่บนเอวไอลูกก็ายแทนพ่อ วิ่งเข้าบ้านนี่ไอคนไม่งามเป็นอย่างนี้เก็บของไม่งามมันจะนุ่งก็ไม่งามมันเสียหายถึงอย่างนี้มันเสียมัน ญ, ญาติอันนี้มาเทียบอย่าไปนึกว่าเป็นของเล็กน้อยเมื่อเรารู้จักเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามเรียกว่าสะอาดสวยงามเก็บนั้นเก็บอะไรทีนี้เก็บทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าอะไรทั้งหมดเก็บบางอย่าง นานๆมาใช้ทีนั่นอย่างหนึ่งของบางอย่างบางทีเจ็ดวันเอามาใช้ทีบางอย่างใช้แต่เช้าบ่ายไม่ต้องใช้ของบางอย่างใช้ตลอดวันของทั้งหลายเหล่านี้เราต้องหาที่อยู่ให้มันสงสารมันบางทีมันกระโดดใส่กันนะถ้วยแก้วมันก็กระโดดใส่กันได้เคยได้ยินเหมือนกันแก้วสามลูกขวบวปับกระโดดเป้ง เตะกันแตกชิปหายนั่นมันเสียศีลแล้วยังไม่รู้ตัวมันกระโดดใส่กันคนเราลงกระโดดใส่กันก็หัวแตกมันไม่มีวิญญาณยังกระโดดใส่กันได้ถึงขนาดนี้ไม่ไหวแล้วเหตุนั้นต้องระมัดระวังรักษาควรจัดควรหิว้วควรแบกควรหาบควรใช้มือเดียวควรใช้สองมือต้องรู้จักอ่านให้มันออก ให้มันดีให้มันเรียบร้อยนั่นมันเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณชนของมันงามคนมันก็งามถ้าของมันไม่งามคนมันก็ไม่งามมองดูในนี้แหละอย่างพวกเรานั่งอยู่ทุกวันนี้นั่งอยู่อย่างนี้แหละมันงามถ้าต่างคนต่างธรรมลองดูสิบางคนยืนบางคนเดินบางคนนั่งบางคนคุยมันงามเมื่อไหร่ ลองดูสิเสียหมดในสมาคมอันนั้นเข้าของสิ่งต่างๆทั้งหมดเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีระเบียบมันหนาตามันหนาหูหาไม่พบเถียงกันทะเลาะกันมันหนาหูมันหนาไปหมดทุกสิ่งทุกระยะนั่นแหละเหตุนั้นให้รู้จักรักษาให้รู้จักระเบียบให้รู้จักจัดระเบียบให้เป็นระเบียบระเบียบตามหน้าที่ เหมือนกรรมกรที่เขาจัดกันนายทำยังไงนายจ้างทำยังไงหัวหน้านายจ้างเป็นยังไงเขาจัดเป็นเรื่องๆ เ, เป็นแถวเป็นแนวไปอย่างพินพาดก็เหมือนกันเขาจัดให้เป็นระเบียบตีงองแหง ง, งองแห ง, งเป็นเงินเป็นทองถ้าจัดไม่มีระเบียบตีไม่เป็นภาษาแล้วใครมันจะไปฟังเหตุนั้นการระเบียบทั้งหมดให้มันเรียบร้อยดีงามแล้วก็มันสบายใจ มองเห็นเท่านี้แล้วก็มันยิ้มอยู่คนเดียวทีนี้พอเราต้องการแล้วก็ฉวยปั๊บได้ทันทีเดี๋ยวนี้มันจะไปเหมือนแบบอีตาคนนั้นฉวยปับ๊บนุ่งผ้าเมียไปทันทีมันไม่ไหวอย่างนั้นนะ่ะนี่ให้พากันจําไว้เมื่อจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามในส่วนเสียก็ให้มันเป็นระเบียบอย่างห ย, ยาบหยาบไอเศษอาหารอย่างนี้เป็นต้นเคยทิ้งที่ไหน ทิ้งที่นั่นแหละอย่าทิ้งเกลื่อนกลาดให้มันเป็นที่เป็นทางเคยเก็บที่ไหนไว้ที่นั้นจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีผลหลายประการประการที่หนึ่งสบายตาที่ได้แลเห็นประการที่สองต้องการได้ง่ายประการที่สามของนั้นก็ไม่ค่อยจะเสียหายดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ท่านเรียกว่าสวยงามทีนี้เมื่อวัตถุ ทั้งสองอย่างนี้มันบริบูรณ์ดีอย่างนี้มันสบายใจความสบายใจมันหมดกังวลความไม่กังวลนั่นแหละจิตมันก็เบิกบานลืมตาขึ้นก็สบายใจฟังเขาใช้การงานก็สบายหูเมื่อเรานึกถึงข้าวของที่ได้ใช้สอยเก็บแล้วเรียบร้อยไม่คล้องจิตสบายใจนั่นท่านเรียกว่าศีลวิสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ ทำสมาธิง่ายทำสมาธิง่ายยังไงบางคนไปยืนใส่บาตรได้สำเร็จโสดาบางคนก็กำลังปรุงอาหารที่โรงครัวสำเร็จโสดาบางคนกำลังเก็บดอกไม้ในสวนสาเร็จโสดาอันนี้คืออะไรคือศีลบริสุทธิ์ไม่ยากอะไรการทำสมาธิคือใจสบายหนึ่งเมื่อเราตื่นขึ้นก็ปรุงอาหารเราดี ไม่มีการกระทบกระเทือนในระหว่างกันสองเราจัดแจงภาชนะใส่อาหารที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์สามเราไปเห็นพระมาบินธบาทพระบริสุทธิ์จิตก็เบิกบานใจบานขึ้นทันทีเวลาใส่บาทไอ้ความบานนี่ใจสบายเกิดเป็นศีลวิสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ได้ชื่อว่าโสตังคะนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ยากหรอก ใส่บาทมันก็ได้มรรคผลถ้าศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์นั่งหลับตาเท่าไรเท่าไรมันก็ลงแต่เปลือกตาแต่ใจมันกระโดดออกไปจากหนังตานโน่นแน่นี่คืออำนาจกิเลสหรือความเศร้าหมองไม่ผ่องใสมันผลักดันทําจิตนั้นไม่ให้ได้รับความสงบเมื่อเรามาสำรวจตรวจตราพิจารณาเรื่องราวที่กล่าวนี้ นับตั้งแต่ความสะอาดข้อหนึ่งความสวยงามข้อที่สองความสบายใจข้อที่สามความบริสุทธิ์ใจเมื่อคุณงามความดีสามอย่างนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดคณะใดคนนั้นก็จะบำเพ็ญสมาธิง่ายไม่เป็นสักขาวนมักขาวนสามารถที่จะเอื้อมเอามักผลได้ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนฉะนั้น บรรยายมาในอภิสมาจารย์เป็นเครื่องประกอบอบรมศีลานุสติกรรมฐานให้เกิดขึ้นจงพากันตรวจพิจารณาส่วนใดที่ขาดตกบกพร่องไม่ถูกต้องตามแนวคําสอนก็จงพากันเยียวยาแก้ไขให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยดีงามส่วนใดที่ดีแล้วก็จงตั้งใจปฏิบัติบําเพ็ญเมื่อพวกเราเหล่าพุทธบริษัท ได้พากันตั้งใจปฏิบัติให้เป็นไปดังกล่าวนี้ก็คงจะได้พากันสําเร็จตามความต้องการปรารถนามีดังได้แสดงมาในศีละกถากล่าวถึงอภิสมาจารและข้อปฏิบัติด้วยคุณภาพให้เข้าอยู่ในข้อศีลเมื่อพวกเราตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นไปอย่างนี้ก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานมีดังได้แสดงมา ก็ยุติลงเพียงเท่านี้